ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้จะนำเสนอทวิทาประทัสสูตรคือประสูตรที่ว่าเดินกันไปคนละทางมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าคราวหนึ่งพระเรจ้าเสด็จ รู้ตําเนินไปในดินแดนแห่งแคว้นโกศลชุระบุตรโดยมีพระนาคสมาละเป็นปัจฉาสมณะเดินมาถึงทางสองแพร่งพระนาคสมาละก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจะไปอีกทางหนึ่ง แต่พระพุทธเจารับสั่งให้ไปอีกทางหนึ่งปนาคะสมาละก็มายินยอมกล่าบทูลย้ำถึงสามครั้งแต่พระพุทธเจ้าก็ท่งปฏิเสธทั้งสามครั้งในที่สุดปนาคะสมาะสมาละก็วางบาทจีวรของพระพุทธเจ้าวไว้ แล้วก็เดินหลีไปในทางนี้พระเจ้าก็ทรงต้องถือบาตรและจีวรด้วยพระองค์เองเขาเสด็จไปในทางที่ทรงเลือกอก็มีประเด็นตรงนี้ที่ควรน่าศึกษาอยู่หลายประเด็น น, นนะะประเด็นแรกก็คือว่าตอนนี้เป็นยุคต้นของพุทธสมัย เพื ร, ระแบ่งออกเป็นสองช่วงนะท่านบอกว่าช่วงยี่สิบพรรษาแรกเนี่ยก็หมายความว่าตั้งแต่ระชนพรรษาสามสิบหกถึงสี่สิบห้าเนี่ยพระเจ้าก็เสด็จไปโดยมีพระอุปถากตามเสด็จก็สลับสับเปลี่ยนกันไป ก็ไม่ได้ลงตัวพระรูปนั้นรูปนี้ก็มีชื่อหลายๆชื่อแต่พอหลังจากนั้นคือพรรษาที่สี่สิบห้าเนี่ยกระส่งประรบถึงปัญหาในลักษณะเนี่ยอย่างที่เคยพูดเรื่องพระเมกียะก็มีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันแต่พระเมกียะนั้นท่านมองเห็นสถานที่มันรื่นรมอยู่ริมทาง ต้องการจะแวะเข้าไปเจริญสมณธรรมในป่าตรงนั้นแต่รูทิยาทรงพิจารณาเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาไปเข้าไปก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกแรืจะมีปัญหาติตา ม, มาด้วยก็ทรงปฏิเสธขอให้รอ ก, ก่อนรอให้ภิกษุรูปอื่นมาตามเสด็จพระองค์ก่อน พูดไปพูดมาพระเมกขิยะก็ดือ้อย่างเนี้ยแต่ก็แวะไป้างทางเุลท้ายมันนั่งสมาธิแล้วใจมันสงบมันฟุ้งซ่านไปใหญ่เลยตเตอิดเปิดเปิงไปใหญ่พออยู่ไม่ได้ก็ต้องกลับไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ส่งย้ำเตือนคือท่านเหล่านี้เป็นคนปุถุชนน่ะ พระปุถุชนมันก็มีพื้นฐานมีวุฒิภาวะที่ยิ่งยออนแตกต่างกันท่นเราจะต้องยอมรับความจริงว่าคนก็คือคนน่ะแะคนในยุคใดสมัยใดมันก็ก็เป็นอย่างเนี้ยมันคือมีความแตกต่างนี่เป็นนิรันดร ไม่มีคนที่ไหนที่ไม่แตกต่างกันหรอกแม้แต่ความคิดเราในแต่ละขณะก็แตกต่างกันการกระทำก็เราแต่ละขณะก็แตกต่างกันการพูดก็เราแต่ละขณะก็แตกต่างกันพอเราถึงความคิดเนี่ยในเรื่องเดียวกันที่เรามองด้วยกันเราก็เห็นต่างกันปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่น่าศึกษาว่าพระพุทธเจ้าของเราในฐานะที่เป็นศาสดา เราเทียบเคียงกับพระเยซูตอนต้นๆ น, น, น, น, นะฮะเราว่าจะเห็นว่าพระเยซูนี่ท่านไปกันเป็นขบวนท่านน บ, บีมูฮัตเองก็ไปเป็นขบวนเพราะว่าท่านน บ, บีน บ, บีมูฮัะอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนตั้งใจที่จะประทุษร้ายท่านโดยคอยขัดขวางท่านโดยวิธีการต่างๆบางั้งมันก็ต้องรวมตัว ก, กันเป็นขบวนไป แต่พระเยซูเนี่ยบริวารท่านค่อยๆเพิ่มกว่าจะครบสิบสองคนก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ไปกันเป็นขบวนแต่พระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปเป็นขบวนเหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งจะเสด็จโดยลำพังมีเขายะปัติาสมณะคือพระที่ติดตามบ้างหรือไม่มีบ้างก็แล้วแต่ พระพุทธเจ้าเป็นสุกโตคือเสด็จไปไหนไม่ต้องกลัวอะไรหรอกไม่ต้องกลัวภัยกลัวอันตรายอะไรเดีวตลอดระยะเวลา 45, สาี่สิบห้าพรรษาใครก็ทําอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็มีคนพยายามทําเยอะแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าพุทธบารมีเนี่ยมันเราเห็นอย่างหนึ่งว่าพุทธบารมีเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ใครไม่อาจคาดคิดได้คือประมาณการได้ ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทาไมจึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของบารมีอนุภาพแห่งแห่งกรรมเรียกวกรร ม, มานุภาพเป็นอนุภาพแห่งกุศลกรรมขนาดทำหน้าที่ขจัดป้องกันพัฒนาและก็รักษา ทีนี้การไปในหุนทางเนี่ยพุทธเจ้ามีอนาคตังสยานแต่ท่านนาคาสมาณะสมาระเนี่ยท่านท่านไม่มีอะไรอะ่ะก็เป็นเด็กดือ้อพระเจ้ารู้ว่าถ้าไปทางนั้นน่มันรัดจริงก็นาคาสมาระเนี่ยท่านท่านมองเห็นว่ามันเป็นทางรัด จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วแต่พระเจ้าทรงรู้ว่ามันเป็นหนทางที่มีอันตรายบัญหาสําคัญว่าถ้าบอกล่ะถ้าบอกก็อย่าไปนะทางนี้เป็นอันตรายไม่เจอก็เด็กดลือเจอเด็กเลือมันจะคัดค้านเพราะว่าอันตรายมันยังไม่เกิดตัวนั้นมันอยู่อีกจุดหนึ่งอันตรายจะเกิดอีกจุดหนึ่งถ้าคืนไปทางนั้นล่ะมันจะเกิด ถ้ารู้จพ่รับสั่งว่าอย่าไปเลยนาคสมาลมทางนี้เป็นอันตรายจะประสบกับจะไปเจอกระโจนผู้ร้ายแล้วก็อาจจะทุบตีเอาก็อาจจะประทุสร้ายเอาพระนาคสมาลมก็จะไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็จะคัดค้านคัดค้านจะกล่าวคำหยาบทีนี้ยุ่งเลยยุ่งเลย จะสะสมบาปกรรมอีกเป็นนันมากท่านผู้ฟังลองสังเกตว่าความจริงบางอย่างนี่จึงพูดไม่ได้ไมจะเป็นความจริงนะนะยังก่อนสงกรารที่มีนายกสมาคมโหนมาทำนายถ่ายทักปาทกถาเนี่ยที่จริงก็าปาทกถาแต่ว่านักข่าวเนี่ยนักข่าวโคดข้อความระดับศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย โค้ดข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องาศาสนาเรื่องปรัชญาเรื่องการเมืองเรื่องโหราศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไกลโค้ดข้อความหม่พูดย่อๆไม่ได้หรอกคือมันต้องมองให้เป็นระบบและต้องเข้าใจอ่ะต้องเข้าใจภาษาที่นําเสนอว่าโขนเนี่ยเขาพูดกับนักพิชาการแต่ว่าสื่อสารนี่ยพูดกับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจะเอามาพันภาษาโขนมาพูด กับคนทั่วไปไม่ได้มันเอาภาษาธรรมะมาพูดกับคนทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ทำบางคำเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็สื่อสารน่นจะเกิดความสับสนก็ได้แต่ในสุดก็เกิดถกเถียงกันวุ่นวายไปโหนด้วยกันเองเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะการพูดในลักษณะนั้นเนี่ยมันสร้าง ความประวัติพลัน พ, นพึงให้เกิดขึ้นการตื่นสนุกให้เกิดขึ้นความหวาดกลัวความมิตกกังวลความหวาดระแวงแต่จริงๆแล้วอะไรยังไม่เกิดมันเป็นการพูดเรื่องอนาคตไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้มันจะเกิดหรือไม่เกิดเมื่การพูดเรื่องอนาคตเนี่ยต้องระวังพูดกับใครล่ะเราจะเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งว่า ที่เป็นบทเรียนนะฮะถือว่าเป็นบทเรียนเนี่ยคือการจะทําจะพูดหรือแม้แต่จะคิดในบางกรณียมันต้องนึกสึงสารปริสธรรมเป็นมิตินะฮะเรียกว่ามิติของเหตุผลสถานภาพของตัวเองคือใครแล้วความเหมาะความควรกิมาตันยูเนี่ยมาตันยูตาเนี่ยคือความเหมาะความควรความเหมาะความควรแบบนั้นมันไปสัมพันธ์กับกาลเกษตร แล้ว ก, กับบุคคลกับกลุ่มคนซึ่งการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางครั้งบางคราวเราพูดแป๊บเดียวเนี่ยมันไปทั่วโลกเลยไปตั้งร้อยห้าหกสิบประเทศเลยข้อมูลพื้นฐานน่ต่างกันเราการวินิจฉัยข่าวสารเหล่านั้นก็จะออกมาต่างกันปัญหาการสื่อสารยุค สื่อสารโทรค ม, มนาคมในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยที่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายคือถ้าสำนึกรับผิดชอบเรื่องสุจริตเรื่องทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากคือถ้าไม่ดีจริงๆ น, นี่ทำาะยากายนะพูดลพล่อยๆไปก็พูดได้แต่รับผิดชอบได้หรือเปล่าเพราะงั้นการพูดเนี่ยเราต้องรับผิดชอบได้ ในกรณีนี้เราจะเห็นว่าท้าพระพุทธเจ้าขืนรับสั่งว่าทางนั้นมีอันตรายนะนาคัศ马拉ต่อไปเธออาจจะถูกโจนทุบตีเอาอาจโจนคุมขู่คุกคามเอาอาจจะถูกทุบบาดจีวรต่างๆเนี่ยเหตุนันยังไม่เกิดปัญาคัศ马拉ซึ่งเป็นเด็กดือ้อทั้งก็จะค้างค้านและจะเถียงเถียงแล้วสุดทุจริตทางกายทางวา จ, จาทางใจเนี่มันจะมาพร้อมเลย และจะกล่าวหาพระพุทธเจ้าด้วยคาที่ไม่เหมาะไม่ควรนะทีนี้เป็นบาปบาปมันจะไปขัดขวางการเจริญสมาธิเจริญกรรมฐานของท่านเอกาต่อไปบรนฐานะผู้อนุเคราะห์โลกที่เรียกว่าโลกานกรรมปะ ก, กะนี่คืออนุเคราะห์โลกเรื่องบางเรื่องเนี่ยควรพูดเรื่องบางเรื่องไม่ควรพูดเรื่องบางเรื่องมันต้องดูการาทศสะ เพราะองค์ประกอบของสัพพิสธรรมเป็นเรื่องที่เราต้องใช้เยอะมัถึงก็พลาดอ่ะพลาอย่างอย่างยกตัวอย่างในในวันอะไรละวันอาทิตย์แต่ะนะฮะวันอาทิตย์ในวันที่ 11, สิบเอ็ดสเมษายนที่บอกว่าสร้างสมานสันภายในชาติหนังสือพิมพ์เ็าเรียกว่าทาบุญประเทศไทยอะนะ พระเดีมาก็รับในมลนไปในที่นั้นด้วยก็คือถ้าองรวมจริงๆแล้วเราก็ถือว่าดีนะองรวมจริงๆก็ถือว่าดีแต่ว่าเออมันมีปัญหาบางประเด็นปัญหาคําว่าสมานฉันเนี่ยคือเอาคนกับคนซึ่งมีความขัดแย้งหรือว่าไม่สมานสามัคคีกันให้มาสมานสามัคคีกัน ใกรณีนี้ไม่มีความขัดแย้งแต่ว่าเป็นลักษณะต่างคนต่างอยู่ซึ่งถือว่าเป็นสังคมที่แปลกสังคมของศาสนาโดยเฉพาะผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาในโลกเนี่ยจะไม่ค่อยมีการปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับผู้นำทางศาสนาอีกศาสนาหนึ่งจนเราจะถึงว่าปอบจอนปอนที่สองเนี่ยที่ท่าน จนประชาชนไปเป็นคนที่บุกเบิกสร้างมิติใหม่คิดมาเพราะงานปรงพระสบของพระองค์จึงมีศาสนกทุกศาสนาถ้าเราเราเ็นรูปเดียวนะฮะเป็นพระลังกาแต่ยังเข้าใจว่าในมุมอื่นนะ่าจะมีทิเบตแล้วก็ที่ิงพระไทยก็หลายรูปน ะ, ะที่คุ้นเคยกับปุ๊บเนี่ย เจอาจารย์ทองที่เชียงใหม่เรคุณเคยกับปวกมันมีพระหลายรูปคุณนเคยกันเพราะงั้นท่านก็พยายามสร้างสมาธิขึ้นแต่ในขณะเดีวยวกันบางครั้งบางคราวมันก็ออกเวลอมั้งกัน่จะมีการโจมตีเรื่องนิพพานของพระพุทธศาสนาอะไรต่างๆวันนั้นมันก็มีปัญหาอยู่สองสามประเด็นนะฮะ ประเด็นแรกก็คือว่ามีผู้นำด้านต่างๆนรับผิดชอบประมุขศาสนาต่างๆเช่นว่าดรวิษนุก็รับผิดชอบรู้สึกจะเป็นศาสนาพราหมนดูนะฮะแต่โภคินแต่พลุกุลก็รับผิดชอบทางอิสลามประธานสา น, นิกาก็รู้สึกรับผิดชอบในคริสแล้วก็อีกท่านหนึ่งใครก็มองไม่ข น, นะ กรบพิชอบต่อศาสนาซิกท่านนายกเนี่ยพิชอบต่อพุทธเสียงวิาพากษ์วิจาร็ออกมาสองประเด็นสองเรื่องสามเรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือว่าเอาหัวหน้าผู้นำของศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยขึ้นไปนั่งเรียงแถวกัน ประเด็นตรงนี้เป็นเป็นเรื่องมุมมองจากสาวพุทธซึ่งเราต้องต้องต้องมีใจกว้างกว่านั้นนะนะเกิดจะเห็นว่าเมื่อนำในนา ม, นามาศาสนาและศักดิ์และสิทธิ์เนี่ยมันทัดเทียมกันเกิดจะไปถืออัตราว่าเราเป็นพระแล้วไปนั่งเสมอก็าจะว่าไม่ได้ที่จริงก็อีกคนละตัวคือถ้าเราต้องการจะเป็นมิตรกับคนอื่นเนี่ยอัตร า, าเราต้องต้องเล็กลง เรานึกภาพของพระพุทธเจ้าที่ท่านประทับนั่งกับ น, นักบวชนอสศาสนามันก็ไม่กห่างอะไรกันเท่าไหร่และบางครั้งก็มีบางสถานการณ์ที่เราเห็นว่าอัศราก็เสมอกันแล้ว น, นั่งคุยกัน ต, ตรงนี้เราควรจะมองข้ามไป เพราะว่าเป็นเป็นเป็นผู้นำศาสนาเป็นตัวแทนของผู้นำศาสนามาในนามศาสนาต้องมีสิทธิเสมอภาคกันคือเราเป็นภิกษุในกับชาวชาวพุทธนะฮะเราเป็นภิกษุกับชาวพุทธแต่เราเมื่อไปต่างประเทศเนี่ยเราจะเป็นผู้เข้าเมืองสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านเจ้าหน้าที่แต่นั้นเองฮะเป็นเป็นคนเข้าเมืองคนหนึ่งท่านเอง เขามีสิทธิ์ที่จะคนมันเป็นการบทบาทการแสดงละครเนี่ยมันเป็นเรื่องบทบาทว่าเราต้องเข้าใจบทบาทกันเราว่าตอนนั้นเราเป็นอะไรไม่ใช่แบกอันตาไปแต่มาช่วงหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าพลาดคือให้สมเด็จระุทธาจารย์ตลอดทั้งท่านจยูราราษฎรีอะไรนะฮะลุกขึ้นไปมอบของให้แก่ทานายก ปัญหาว่าท่านนายกกับประมุขศาสนาเนี่ยใครเหนือกว่าในด้านคุณธรรมเราจะลืมนะว่าขณะสมเด็จพระราชาคณะี่แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในฐานะที่ทรงเป็นพุทธมาม ก, กะเนี่ยเสด็จเข้าไปประเขนเองนะฮะถ้าระดับพิรันญญาบัตลงมาก็อาจจะเดินมารับ แต่ตาสมเด็จพระจกนะักรณะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยจ ะ, สะเสด็จขึ้นไปประเคนอีกราลว่าเสียงได้ยินเสียงโยมที่นั่งใกลๆ้ๆก็บอกไม่ถุงโวดไม่ตรงควรก็บนกันก็ได้ยิงขึ้นมาบนกันออกวิทยุแต่ก็ยังนึกถึงคนที่จัดการนะฮะนึกถึงคนที่จัดการว่าจัดการไม่เป็นวิธีให้เกียรติคนก็คือว่า เ, เราให้อะไรอะ่ะมันไม่ต้องส่งสิ่งนั้นให้ ถ้าเรสมมติเราให้รถเราจะยกรถส่งให้หรือยงงังผลการมอบให้ไม่จําเป็นจะต้องมอบสิ่งนั้นให้แล้วก็ทํารายการนะชื่ออะไรก็ตใส่ซองให้แต่ละท่านถือแล้วก็ท่านนายกก็มารับจากทุกคนในฐานะที่เขาเป็นผู้นำํำทางศาสนาเสมอภาคกันนั่นคือเราในฐานะแล้วเราเล่นบทผู้รับของเป็นที่ระลึกเล่นบทนะฮะไม่ใช่เล่นบทนายกนะ เล่นบทผู้รับของเป็นดีรึกทีนี้พอลงมาข้างล่างเนี่ยมันเล่นบทผู้รับผิดชอบองค์กรศาสนาตอนนี้ท่านนายกพาดเพราะว่าท่านไปสนใจไปคุยอยู่กับท่านจุฬาลัยวุฒิซึ่งท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อศาสนาอิสลามในขณะนั้นมีคนอื่นทำหน้าที่อยู่แล้วท่านต้องมีหน้าที่มาดูแลที่สมเด็าจพาระพุทธรจ้ แล้วก็ส่งท่านขึ้นรถไปพระสมเด็จพุทธาจารย์ไปในนามของประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชก็เหมือนกับสมเด็จสังราชเสด็จแล้วเราในฐานะเป็นชาวพุทธนะฮะเป็นพุทธ ม, มามกะอันนี้เห็นไหมฮะเอ๋สัพพิสธรรมเนี่ยมันจะต้องขยับปรับตัวของมันเองอัตตานุตาของเราในสําคัญมากเราชัดเจนในตัวเอง เรียกมาดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนทำดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนคิดยันในกรณีนี้เราจะเห็นว่าพนาคาสมาละนั้นดูตัวเองไม่ออกว่าใครเป็นใครอ่ะเธอเป็นใครอ่ะเธอมีหน้าที่ตามเสด็จเธอไม่มีหน้าที่มาชี้บอกว่าพระพุทธเจ้าต้องไปทางนั้นทางนี้อันนี้ไม่รู้จักสถานะไม่รู้จักบุคคลว่า องค์ที่เราพูดด้วยเนะี่ยคือศาสดาของเราแล้วยังมีหน้ามาเฉียงตั้งสามครั้งและที่สำคัญย่างยิ่งก็อีกช่วงหนึ่งนะให้เองสังเกตว่าท่านนาคาสมาราเนี่ยได้กราบทูนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวางบาทและจีวรของพระพูมีพระภาคเจ้าไว้ที่แผ่นดินเอาสิเอาก็พาะสิ ในพ้นทางนั้นเองและกลับทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญนี้บาศและจีวรดังนี้แล้วหลีไปมันแสดงเห็นอะไรครับเพราะว่าในยุคนี้ยุคต้นพุทธศตวรหม่นะฮะยุคสี่สิบปีแรกยุคยี่สิบปีแรกของพุทธกาลแสดงว่าตอนเดินป่าเนี่ยอย่านี้เคยพูดมาตอนพระพุทธเจ้าเสด็จ ป่าประทับอยู่ที่ป่าปารีเลยยกะกับช้างปารีเลยะกะและกับลิงในคราวพิสูจน์เฉลือมกสัมพีทะเละกันเราเห็นว่าเรื่องกีวรนี่เรื่องใหญ่มากเรื่องพรนุ่ประหบนี่เรื่องใหญ่มากเพราะมีเท่านั้นเนี่ยมีเท่านั้นจริงๆอะเดี๋ยวตองทนุถนอมมากถ้าขาดแล้วก็ยุ่งไงนะผลแสดงว่ า, าพระเจ้าตอนเสด็จป่าเนี่ย พระสงฆ์ตอนเสด็จป่าก็จะเหมือนกันคือถือบาทกับตีวรเสดงว่านุ่งเฉพาะสบงสมัยนั้นไม่มีอังสะนะสมัยนั้นไม่มีอังสระก็เสดงว่านุ่งเฉพาะสบงเพราะเราจึงเห็นพวกละครที่เกี่ยวกับ เ, เรื่องอะไรตำนานเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะฮะคือการไม่มีผ้าหม่ม เป็นเรื่องธรรมดาของเราย้อนไปในแถวราชการที่สามนะฮะแถวรัชการที่สามขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะั<ำ>้นถ้าเราดูในสมัยนี้คล้ายกับแปลกยทำไม่อไมผ้าผ่อนน้อยเหลือเกินมันเป็นเรื่องยุคสมัยคือเขาไม่ได้มองกันที่ตรงนั้น กเราก็เพิ่งมาเปลี่ยนแปลงจริงๆก็เปลี่ยนแปลงสมัยรัชกาลที่สามตอนปลายๆรัชกาลที่4ี่นะที่เปลี่ยนแปลงมากรัชกาลที่สี่ท่านจะ เ, เป็นนักบวชมาก่อนท่านเคยคลุกคลีกับชาวบ้านตอนก็พบเห็นอะไรมาก็เห็นว่าอะไรมันเหมาะมันควรแล้วก็ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลง ทีนี้ผลสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ต้องถือบาตรจีวรโดยลำพังโปร่งเองแล้วก็ทรงรู้ด้วยประาญาว่าประเดี๋ยวนาคาสมาระก็ต้องกลับมาพระเจ้าเสด็จไปหน่อยหนึ่งก็ไปประทับรอนี่คือาศาสดาผู้เอนดูนะฮะคือพ่อทำห น, น้าที่ของพ่อที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกจะรู้ว่าลูกกำลังมีอันตรายแต่บอกไม่ได้ห้ามไม่ได้เราก็เห็นจังหนึ่งว่า คนราประก ม, มันมาถึงแล้วเอาไม่อยู่พระเจ้าเองก็ห้ามกรรมไม่ได้แต่อย่าลืมนะฮะว่ามันเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นจากความดื้อดึงพระท่านตามสเสด็จพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าปรากฏว่าพอท่านเดินไปหน่อยหนึ่งก็เจอโจรผู้โจรก็ซุ่มอยู่ในที่นั้นเหตุนี้ท่าเดินมาก็รู้สึกไม่พอใจอ มันจะพบเห็นว่าพวกเขาอยู่ในสถานที่นี้แล้วถ้าปล่อยให้เลยไปก็จะไปบอกเจ้าหนะ้าที่ของบ้านเมืองให้มาจับกลุ่มผ่มขังเขาก็กลัวเขาแต่จะถึงก็ทุบตีจะถึงก็บฆ่าฟันมันก็ไม่มีความจำเป็นขนานั้นเพรางั้นก็ต้องกำหลบับผู้นี้ก็กลัวเข้ามาก็ห้อมล้อม ก็ทุบตีพอสมควรก็ทุบบาดจับจีวรมาฉีกทิ้งอะไรแต่ไรเนี่ยทุบบาดเลยแล้วก็ไล่ไปทางอื่นเราก็เห็นอีกอย่างหนึ่งนะก็เรียกจรนะไพร์คือไฟที่เกิดจากโจรโจรก็คือโจร น, นะฮะโจรมาทุกยุคทุกสมัยแหละมันทำได้ท้งนั้นคือเราเจ็บใจที่ว่า ชาวพุทธเราเนี่ยตัดเสียรพระพุทธรูปขายเราสลดถดถูอย่างในกรณีของออทรัพย์สินภายใต้พระเจดีย์เทวราชบุรณะเทยุธยาได้พูดกันเนี่ยคือเราเห็นแล้วเราสลดเห็นโจรแก่ๆคนหนึ่งออกมาสัมผาสเนี่ยเรามองแล้วเราสลดวันนี้หรือชาวพุทธ เธอเกิดมาใสายร่มเงาพระพุทธศาสนาเธอประกาศตนเป็นชาวพุทธแต่เธอกระทำต่อวัตถุเป็นที่เคารพสักการะเชื่อมโยงอยู่กับพระพุทธศาสนายังไม่ประณีประนัยเลยก็ ย, ยังมองไปสู่อนาคตเนี่ยคเมื่อก่อนได้อ่าน อระติศาสตร์ทางทางภาคได้เมื่อเกิดได้ความคิดว่าเออเป็นเรื่องน้าห่วงนะฮะมองไปส่วนอนาะคตประมาณสักษี่ห้าสิบปีเนี่ยอาจจะสามสิบปีโดยคงไม่ไกลถึงห้าสิบปีนะโดยพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาแล้วก็คตินิยมร่วมสมัยตลอดถึงปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการศาึกษาปัญหาสังคมอ ะ, อ, อะไรต่าง มันจะทำให้เกิดตัวเลขาศาสนาดิปเปลี่ยนเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยในสามจังหวัดภาคใต้ที่จริงโน้นไปไทบุรีสังกัณโหรันตันสังกัรอะไรต่รตตางๆ ส, ส, ส, สี่สีรัตน์นะฮะสีรัตน์ข้างล่างเนี่ยจะ ก, ก่อนก็เป็นฮินดูส่วนใหญ่แล้วก็มาเป็นพุทธส่วนใหญ่แล้วก็พุทธมาเปลี่ยนเป็นอิสลาม ก็แสดงว่าประชากรไทยกับประชากรอินเดียเนี่ยเขาอยู่มาก่อนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามแสดงขนาดนั้นก็เป็นประชากรส่วนใหญ่อะ่ะแต่วันนี้ทําไมเป็นประชากรส่วนน้อยเพราะการเพิ่มของอิสลามเนี่ยเก็คือเพิ่มด้วยการด้วยการแต่งงานกับคนอีกศาสนาหนึ่ง แล้วคนในศาสนานั้นจะต้องเข้ารีดเป็นอิสลามนั่นอย่างหนึง่งแลีวอีกอย่างหนึ่งก็คือการไม่คุมกําเนิดแล้วก็สามารถมีพัญญาได้มากก็มีลูกได้มากเมื่อกี้ดูข่าวคนพิการนั้งขาทั้งสองข้างนะมีลูกแปดคนเราตกใจเลยเพราะตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นว่าในสุดเนี่ยเขาฐานเขาเล็กนะแต่ว่าขยายใหญ่คาร์ฐานใหญ่แต่ขยายชา้ชาๆเติบโตชา้ชาๆ พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยประกากรมันจะไล่าตามกันมาเรื่อยๆ เ, เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะใกล้เคียงกันไปเรื่อยๆมันภาในสามสิบปีนะคงไม่เท่าหรอกแต่ห้าหกสิบปีเนี่ยไม่แน่อิสลามอาจจะอยู่ใกล้เคียงกันเขาอาจจะขึ้นไปถึงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตอนนี้นการเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยคงจะสามจังหวัดอาะคงจะปกเพดเป็นเขตปกครองพิเศษไปแล้วนะตอนนั้นแนหะแล้วก็ การได้ร่องสิทธิีต่างๆตลอดถึงการเมืองเนี่ยเราลองสังเกตว่าสามจังหวัดภักได้เนี่ยไทยพุทธไม่ได้พูดได้เกิดอ่ะไม่ได้เป็นผู้แทนอะรู้สึกจะมีอยู่คนมั้งแต่ว่าในจังหวัดข้างบนมาเนี่ยอิสลามเป็นประชากรส่วนน้อยแต่ว่ามีเกือบทุกจังหวัดเป็นเป็นสภาพเป็นผู้แทนระสอนเกือบทุกจังหวัด มันก็เป็นปนัญหาที่น่าคิดในโอกาสต่อไปว่าศาสนาพุทธจะเหลืออยู่ในประเทศไทยไหมหนึ่งศตรวรรษหนาร้อยปีเนี่ยร้อยปีข้างหน้าแน่นอนเราตายไปแล้วแต่ว่าดินแดนผืนนี้จะมีพระพุทธศาสนาเป็นดินแดนแห่งภาคสภาวะได้หรือไม่นมองไปข้างหน้าแล้วค่อนข้างจะท่ามัวนะเป็นเรื่องที่น่าคิด พัฒนาคัดสมนนะเนี่ยคือเราจะเห็นว่าท่านท่านไม่มองไปไปในอนาคตเพราะว่าท่านไม่ไม่มีญาณไอ้อย่างอีอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าแต่คนเราถ้าดื้อสักอย่างเนี่ยมันพูดยากแล้วไอ้ น, นี่เรื่องดื้่อย่างเดียวอวดดีแล้วก็ดือ้อพอดื้อตามมันมันตามมาไป็แถวเลยปัญหาตามมาเยอะ โจรทุบตีเพื่อจะสั่งสอนบอกว่าอย่ามาในดินแดนของโจรเพราะว่าพระจะเป็นอันตรายและความเชื่อถือในแนวนี้มันมีพวกนายพรานเห็นพระนี่ถือว่าอัปมงคลนะมันพระเองก็ต้องรู้และอย่าคิดว่าตัวเองนี่เขายอมรับนัถือว่าเราเป็นพระตลอด ต่อไปดินแดนในที่คนก็นับถือศาสนาอื่นเนี่ยเขาไม่นับถือว่าเราเป็นพระเราเขานับถือว่าเราเป็นคนแค่นั้นเองเขายอมรับเราเป็นคนก็บุญแล้วนะบางทีก็อาจจะไม่ยอมรับเราเป็นคนเลยทําไปอันนี้เป็นเรื่องต้องเตรียมใจต้องเตรียมใจยอมรับความจริงเอาไว้แต่ในที่สุดเธอก็ต้องกลับมานะะกลับมาแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าครั้งนั้นพระนาคะสมาละเป็นมีบาดแตกมีผ้าสังคติขาดเข้าไปภาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนที่กวนส่วนครัง้งหนึ่งอันนี้คือแสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งนี่ยก็ลอนึกว่าผ้าสังคติมันเกิดเมื่อไหรเพราะท่าไม่บอกไว้ว่าโดยสมัยหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าโดยสมัยหนึ่งพระเจ้าประทับอยู่ในกลางแจ้งตอนกลางคืน พอเที่งคืนขึ้นมาเนี่ยความหนาเสียดแทงต้องเอาผ้าห่มมาคลุมทับอีกชั้นหนึ่งพอในยามสุดท้ายนี่มันหนาวหนักขึ้นไปอีกปรากฏว่าผ้าสองผืนเนี่ยเอามาอยู่ก็เอามาทับขึ้นอีกพักหนึ่งก็พออยู่ได้แต่อย่าลืมนะพระเจ้าท่านไม่มีอุปาทานนะ่ะจริงจรงอยู่ไม่ได้ฮผ้าสามผืนเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้เลยแต่มาก็เคยไปอยู่มันสองปีกว่า พอดูดหนาวนี่มันสาหัสาสากันที่สุดผิวแตกหมดเลยหนาแรงเพราะฉะนั้นแสดงว่าภาพสังกตินี่เกิดจุกต้นต้นแล้วเพราะว่ามีการพูดถึงภาพสังกติด้วยแต่อย่าลืมว่าตรงนี้เป็นการเล่านะฮะเป็นการเล่าของพระอานนท์เล่าพระสังคีติาจาร์ท่านฟัง เสร็จแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระบโรกาสเมื่อข้าพระองค์เดินไปในทางนั้นพวกโจรในระหว่างทางออกมาทุกด้วยมือและกะเตะด้วยเท้าหลาทุกบาทแล้วก็ฉีกผ้าสังฆติเสียแล้วพระเจ้าข่าพระเจ้าไม่ได้วาอะไรอะ่ะพระเจ้ารู้ไว้ก่อนแล้วนะฮะพระเจ้ารู้อยู่ก่อนครับเป็นแต่ทรงประรุเหตุนี้และทรงเปล่งพระพุทธโอษฐาน ว่าบุคคลผู้ถึงเวทผู้รู้เที่ยวไปด้วยกันอยู่ด้วยกันปะปนกะชนผู้ไม่รู้ย่อมละเว้นบุคคลผู้หลามกเสียได้มนุกรเรียนเมื่อบุคคลเอาน้ำนมปนน้ำเข้าไปให้เนี่ยดื่มแต่น้ำนมเท่านั้นละเว้นน้ำเะนนั้นนี่เป็นการแสดงถึงสภาพจิตโดยเอาพระเอกพระองค์องเองนะฮะเป็นหลัก หมายความว่าในตรงนั้นพระพุทธเจ้าเข้าถึงเวทจะถึงฝั่งแห่งเวทก็คือสมบูรณ์ด้วยความรู้นะฮะสัพพัญญตญาณทีนี้เวลาอยู่พระองค์ก็อยู่กับคนทั่วไปคนมีกิเลสมีวิชามีตัณหามีอุปาทานอยู่แต่คนเหลนั้นไม่รู้ทีนี้เมื่อถึงคราวเนี่ย เวลาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับสถานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เกี่ยวข้องอารมณ์ต่างๆเนี่ยทาธีทาทีาทต่อเรื่องเหล่านั้นค็ทำยังไงเพราะผู้รู้เนี่ยเขาจะหลีกเว้นแต่คนไม่รู้เนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาปัญหา มัรลักษณะของผู้รู้จึงเป็นเหมือนนกกระเรียนอันนี้อันนี้เป็นเรื่องแปลกนะฮะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องนกกระเรียนก็เห็นได้เป็นภาพถ้าว่านกกระเรียนเนี่ยมันดื่มน้ำนมนะแล้วใครจะหลอกมันยังไงก็ตามเอาน้ำธรรมดาใส่เข้าไปในน้ำนมแล้วมันดื่มมันดื่มเฉพาะน้นมคือเขาบอกอนะเขาบอกว่า ไอ้เหล้าเนี่ยสมมุติว่าใครจะกรอกเหล้าพระอาหารหันต์มันไม่เข้าไปอไม่เข้าไปในปากพระาาราัแล้วก็นกกระเรียนก็เหมือนกันนะเือเขาบอกว่าถ้าเอาน้ํากรอกเข้าไปเนี่ยให้ให้เขาดื่มเองโดยโดยให้เขาดื่มโดยเขาไม่สมัครใจจะดื่มเนี่ยมันไม่เข้าไปอันนี้เราก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจริงแ ท, ทิศเป็นยังไงมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมชาติ เรียกเป็นความสําเร็จโดยกําเนิดแต่ความสำเร็จโดยกําเนิ ด, น, ดนีด้พูดยากนะมันก็หาคําตอบไม่ได้แล้วทาไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นห า, นนำนานนคำตอบไม่ได้เพราะประเด็นหลักเนะี่ยประเด็นหลักตรงนี้คือรู้กับไม่รู้เป็นธรรมะที่ปรากฏในตัวคนตัวคนสองคนเนี่เดินไปได้วยกัน คนหนึ่งเลือกทางหนึ่งเพราะไม่รู้มองเห็นแบบง่ายๆคิดแบบตื้นๆว่ามันรัดแล้วก็ควรจะไปแต่ว่าคนที่รู้คือพุทจาเนี่ยมันก็เป็นต้นแบบของคนที่มีปัญญามีวิจารณญาณที่เห็นการไกลเพร่ะนเอาปัจจิบันมาตัดสินไม่ได้แต่ว่าตัดสินกันด้วยอนาคต เพราะงั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่พระนาคาสมาระนี่มันคือเหตุการณ์ในอนาคตสมบพในขณะนั้นพี่พระพุทธเจ้าก็ทรงเลือกไปทางหนึ่งเพราะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดหรอกแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะพวกโจรก็จะใช้วิธีอาจจะด่าทอ ขับไล่ใช้คำหยาบกับพระพุทธเจ้ามันก็เป็นบาปแก่คนเหล่านั้นเพราะวิธีดีที่สุดก็คือว่าพระองค์ก็เสด็จไปแต่รู้ว่าอันตรายจะเกิดก็นั่งรอประทับรอพระนาคสมล า, าอยู่ระหว่างทระเรื่อการก็เป็นป้ายางที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ตัวอย่างตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญ ที่เราน่าน้อยใจว่าสังคมพุทธเราเนี่มันอะไรกันนักหนาเวลาเทศการสงกรานแล้วแหมมันคึกขนองกันเหลือเกินแล้วตายกันทุกปีภาพป่ามรณะกะถินมรุตตยูคำมันรูรูเหลกใครทำใครทำขึ้นมันคนไม่อยู่ในศีลในธรรมเธอดิมล่าทำไม โอ้อวดใช่ไหมสนุกสนานกันใช่ไหมคึกขนองมากไปไหมเราเห็นว่าลักษณะเหล่านี้มีพบเห็นบ่อยเลยเจ็ไปทอดพระป่าทอดกระถินมีกรองมีรำมนามีโทนนมีอะไรต่อเลยมีเหล้าดื่มกันใหญ่คนขับอาจจะไม่ดื่ ม, มในตอนต้นแต่พวกที่มอบเหล้าเนี่ยจะขยันขยอยเขาดื่ม เสร็จแล้วก็เกิดปุัติเหตุแล้วไม่มีหลับจําแปลกจริงๆมันเป็นยังไงก็ไม่รู้พูดกันเรียกว่าปากเปียกปากเฉะพูดกันแต่ละปีเนี่ยพูดกันเยอะจริงๆนะพวเรื่องเนี่ยมันสานึกอะทำไมไม่คิดคนขับรถคันใหญ่ๆเนี่ยเขียวเพราะคนในรถเางคุณต้องรับผิดชอบคุณนำเขาไปเพื่อ ไปเล่นสงการไปอาบน้ําำสมัวผู้ใหญ่ไปรดน้ําผู้ใหญ่ไปทําบุญให้แก่บุปการีไม่ใช่พาไปตายเปิ้ลต้องระมัดระวังเปน็นอย่างสูงมาตรการทางกฎหมายเข้อมายังมองอยังมองถึงว่าคือประเดี๋ยวก็จะหาว่าดูหมิน่นเพราะว่าสํานึกตหล น, นี้ที่จริงเนี่ยมันไม่จาเป็นจะต้องมีความรู้สูงแต่ไม่อยู่ที่จิตสํานึกที่ดี ท่านหลายเคยสังเกตสมัยรัฐบาลบรรหารที่มีประชุมอะไรหรือไม่ละแล้วก็สมัยท่านนายกทักษิณเนยที่ประชุม e เอเปกเลยเห็นว่าคนขับรถในสมัยนั้นฝึกปือมาดีแล้วก็ได้ปิญญาได้ปิญญาไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่หรอกระเบ็นที่ฝึกปือมาดีปรากฏไม่มีอุบัติเหตุเลย แน่นอนอในความสะดวกสบายในการ จ, ะะจราจรมันก็ต่างกันนะนะเพราะว่าส่วนมากมันจะปิดถนนจะไม่ไปขับปาดแซงอะไรแต่ไรกับคนอื่นเพรา ะ, ะทางเดินสองทางเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเขาเรียกว่าถ้าทางเสื่อมก็เรียกว่าทุกขติพ้เดินไปก็เป็นทุกขโต ทางจะเดินเรียกสุขติผู้เดินไปก็เป็นสุขโตมันอยู่ที่การใช้ปัญญาวินิจฉัยตัดสินเรื่องต่างๆแล้วก็มองด้วยสำ น, นึกรับผิดชอบรับผิดชอบให้ไกลรับผิดชอบต่อองค์กรต่างๆทางาศาสนาท่านปัญหาการตัดสินใจเนี่ย มันวราณนาใหญ่คือยังมองถึงถึงอะไรวันก่อนก็ดูรายการกบนอกกระลาเขาเขาพูดถึงระบบการสื่อสารทางทางสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์มันเดินทางยังไงคือเราจะเห็นว่าคนเหล่านั้นเขามองว่าทำยังไงจึงน่าสนใจผ่าหัวนี่ทำยังไงจึงน่าสนใจไอการน่าสนใจเนี่ยบางทีมันไปกระบอย่างอื่นนะ อย่างในกรณีนำเสนอพระจากพระได้จะโรงแรมมั่นรุดคือสานึกของผู้นี้มันไม่เป็นพระมาตั้งแต่ข้าวโรงแรมจะข้าวโรงแรมมั่นรูดแล้วทีนี้ถ้าเราหวังดีต่อาศาสนาเราไม่ต้องทำให้ประเจิดประเจอขนาดนั้นหรอกเพราะพระเหล่านั้นไม่ใช่ผิดผลทางศาสนามันผิดผิดผลกอสังคมไอ้ลูกชาวบ้านที่เข้าไปบทเรียนฝึกปรืน อ, อบรมการดังาศาสนา มันเป็นผิดผลของชาวบ้านนะอย่าไปคิดว่าผิดผิ ด, ผดเป็นผิดผลของวัดแม้แต่วัดเองก็เป็นผิดผลของชาวบ้านพราทุรูปในวัด เ, เป็นผิดผลของชาวบ้านสงฆ์ก็ไปฝึกปลืออบรมแต่เองทําได้ขนาดไหนก็ไม่รู้่แล้วก็หกล้มหกลุกกันมาอย่างนี้ตลอดเส้นทางาศาสนาทุกาศาสนาในโลกนี้ไม่มีใครที่ฝึกใครได้สมบูรณ์บริบูรณ์หรอกแต่เป็นเรื่องต้องฝึกแั่ไหน ถ้าฝึกได้ทุกคนมันก็ไม่ต้องฝึกอยู่ในวัดอ่ะเกถ้าชาวบ้านเก่งจริงเนี่ยก็ฝึกคือข้างนอกกันแหละอย่าลืมเมื่ออยู่ในครอบครัวจนข้าอนุบาลในขณะที่อยู่โรงเรียนประถมอยู่โรงเรียนมัธยมอยู่วิทยาลัยอาชีวะอยู่มหาวิทยาลัยเธออยู่ที่บ้านด้วยอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่น้องปู่ย่าตายายอยู่ด้วยถ้าคนมันมีพื้นฐานดีในยี่สิบกว่าปีมันก็ฝึกได้แล้ แต่ว่าเราลองสังเกตว่าจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์มันน้อยแต่เราจะคิดจะแก้ไขกันเน่ะเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของศาสนาเราก็เอาขนาดโทรศัพท์ที่ที่ว่าเขาโทรนะฮะไปฟังดูพิสูจน์ทดสอบกันดูแล้วก็มอบให้เจ้าคณะประสังคาธิการระดับตำบลก็พอแล้วเรียกมาคุยกันก็สืกอเข้าไปเธอแพ้ใจตัวเองแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้ว ไม่ใช่เป็นเรื่องจะต้องพิคาดเข็นคายอาสันอะไรนะมันเป็นเรื่องก็คนฝึกปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ได้แต่เราต้องเห็นใจว่าเขาใช้เวลาตั้งนานเนี่ยเขาปฏิบัติได้เนะี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็พลาดอ่ะขึ้นบันไดสูงสูงหล่นลงมานะเขาก็เจ็บปวดพอแล้ว ท, ทําไมไปกระทืบเพาะทาไมมันได้อะไรขึ้นมานะเพราะก็จริงเราเองสี่ห้าเรารักษาไม่ได้อันนี้คือปัญหาที่จะต้องทบทวดอะไรเยอะเหมือนกันนะมนุษย์เนี่ย คือเพ่งโทษคนอื่นมันง่ายแต่ว่าในแง่ความจริงว่าถ้าเราทําอย่างท่านเราทําได้ไหมบวชมาได้ทั้งหลายปีอะ่ะเราทำได้หรือเปล่ามันก็ไม่แน่เราท่านฟังทั้งหลายถึงทําจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตัวนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไพบูรณ์ในธรรมตุ้ตมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี